สาวัติยังวิหารติเจตวานีอนัทปิณิคัสอราี จิเลขับปังจีตวนังโอบภาศิธมาทีนุปสังคมีอุปสังคมิตวาขอบคุธนานะในกุศแลแเจธนาของเราทั้งหลาย ฉะนั้นลักษณะการให้ทานท่า น, นึงใช้คาว่าฉนันคาสอนว่าถ้าผูกพันด้วยตัณหาสันนิเขปโขก็ได้แก่ว่าตัางกรรมมังเขปะตะวาก็ว่าเปตวาก็ได้แก่ให้ผลของกรรมนั้นกรรมนั้นสิ้นน่ะสิ้นสิ้นกรรมนะถ้ากรรมนั้นหมดก็คือเจตนากรรมที่เป็นเหตุให้นำปฏิสนธิมันหมด พอหมดกำลังลงก็ไปว่าปฏิเสธที่มันผวังก็หมดกําลังใช่ไหมล่ะพอผวังหมดกําลังก็จุตินี่ก็สิ้นกรรมเส้นกรรมก็คือผลของกรรมมันหมดกําลังใช่ไหมบอกว่ากรรมบอกพอแล้วท้าพระเจ้ามีเวลามีกําลังส่งท่านแค่นี้ตกได้แล้วก็ตกหมดกําลังใช่ไหมใช่ไหมในกรณีอย่างนี้นะ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 นะไม่มีใครมากำหนดให้เราเลยฉะนั้นจดเจตนากรรมทั้งหลายที่เราฝังไว้ในศาสนาของพระชนนาเจ้าที่ประเสริฐเนี่ยบุญแล้วเป็นบุญ อ, อันใหญ่หลวงแล้วเนี่ยนะก็ก็ตั้งอธยาสัยให้ถูกังไมว่าฉะนั้นถ้าเรามองงนี้เราจะสังเกต จ, จิตได้ว่าจิตมีราคาไหมให้ทานเนะี่ยหรือให้ทานแบบจิตปราศจากราคาเนี่จิ ต, ตานุปัสสนารัา Savatthi, viharati, j e t v a n i anathpindi kas, a r a m i a t k o ขปังจิตวนังโอาสิตวีนุปสังฆมิปุสังฆมิวะพรวันตัอะภีติวอกมันตัง e i g h t